ว่าจะนกรรมฐ า, านเพราะมันดาท่างพุทธบริษัทจริงๆแล้วจะกรรมฐ า, านานี้จะง่ายๆคืออนุสติเพราะว่าวิธีปฏิบัติกรรมฐ า, านว่าสี่สกองการขึ้นต้นเหมือนกันหมดสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องการนิพพานในเรื่องของนิพพานก็เป็นเรื่องไม่ยากนักแต่ก็ไม่ง่ายเกินไป จุดแรกที่บรรดาเจ้นพุทธบริษัทเีริญกรรมฐานอันดับแรกจริ ง, รงๆที่ว่าโบราณอาจารย์สอนกันมาท่านให้ตั้งต้นววรนญญูน้วิปรสนาญาณก่อนคำว่าวิปรสนาญาณคือการใช้ปัญญาใช้ปัญญาในเรนญญืไงไงไง่องีวิปัสนาญาณขั้นง่ายๆข้เบื้องต้นก็คือไจรด้ทรงญญาณ อันดับแรกก่อนที่จะภาวนาแต่การว่าหลดรูล้ลมหายใจเขาออกริ่มต้มได้ก่อนภาวนาเขาคิดว่าโลหิตมีเปลี่ยนิจังมันไม่เที่ยงเพราะว่าไม่มีสิ่งใดในโลกเที่ยงคนเกิดมาแรกจากความบปเ็เด็จเด็กเล็กก็เป็เด็จใหญ่จากเด็กใหญ่ก็เป็นหนุ่มสาวจากหนุ่มสาวก็เป็นวัยกลางคนจากวัยกลางคนก็เป็นคนแก่จากคนแก่ก็คนตาย ได้แสดงว่ามันไม่เที่ยงวัตถุธาตุต่างๆก็มีสภาพเช่งเดียวกันมีการเกิดในเบื้องตน้นมีความแปรปรวนถ้าการมีสระ ก, การสลายตัวในที่สุดในเมื่อสภาพของโลกมันไม่เที่ยงอย่างนี้ร่างกายของเราเป็นสมบัติของโลกเนม้มว่าโลกไม่เที่ยงร่างกายก็ต้องไม่เที่ยงไปด้วยเมื่อเมื่อมันไม่เที่ยงที่เราต้องการความเที่ยงต้องการการทรงตัว ในเมื่อมันไม่เที่ยงไปตามความต้องการของเราอารมณ์ใจแล้วก็บป็นทุกเราจะทุกข์กนนัดไหลก็ตามในสุดมันก็สลายตัวคือพังที่ว่าอนัตตาเป่นกายเกิดในโลกนี้ไม่ดีเพราะหนึ่งไม่เที่ยงสองเป็นทุกข์สามสลายตัวในที่สุดก็มีดินแดนแห่งเดียวที่มีการทรงตัวก็คือ น, นิพพานตัดชิ้นใจง่ายๆแบบนี้ เแบบย่อๆสัๆส้นๆง่ายๆเพื่เข้าใจง่ายได้ทำจิตเอาปัญญานึกเห็นภาพนั้นขึ้นแล้วเกิดขึ้นในใจหลังจากนั้นก็ทุกคนตั้งใจจับลมหายใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้านึกนอยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกก็รู้อยู่ให้ใจออกอย่านี้อย่างหยากถ้ยใจเข้ายาวเรสั้นให้ใจออกยาวรสั้นอย่างนี้ละเอียดขึ้นจิตจะทรงตัวขึ้น ก็เป็นเพียงว่ารู้ลมหายใจเข้าใจออกก็ใช้ได้การรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็เป็นสมาธิก็เรียกว่าสมาธิเบื้องต้นคือขณิกาสมาธิแต่การรู้ลมหายใจเข้าจะออกบรรลัยข้าจิตเป็นสุขจิตก็มีความสบายลมหายใจก็มีเอจโล่อย่างนี้ทันทีว่าเป็นอุปจาระสมาธิถ้ากายกําหนดรู้ลมหายใจเขาออกเรื่อยๆไป ในที่สุดหูดีเสียงชัดทุกอย่างเสียงเธอไทยก็ฟังรู้เรื่องฮันร้องเพลงกันก็ฟูกักนแล้วก็รู้เรื่องคนพูดก็รู้เรื่องรู้เรื่องทุกอย่างแต่ว่าจิตไม่ําคาญในเสียงอย่างนี้เป็นปฐมฌานแล้วต่อไปที่อันดับที่สุดก็นาปานุตติก็ลมไม่ใจเขาออกกําหนดรู้ไปเรื่อยๆลมจะละเอียดน้อยละเอียดถูกน้อยแต่น้อยใ น, ย น, ย น, ย น, ยนที่สุด จะไม่รู้สึกว่าหายใจแต่จิตมีความเน่าแน่ ๆ, ๆมากจิตมีว่าเบิกอเบขาวางเฉยไม่รับอารมณ์อื่นทั้งหมดอย่างนี้เป็นฌานที่สีะนั้นการรู้ลมหายใจเข้าออกนี่ความจริงไม่ใช่ของเบาเป็ของหนักมากจะเป็นกรรมฐานกองใหญ่หากว่าบรรดาญาโยุทธริษัสต์จะทำไม่ถึงไม่ถึงกับในรู้สึกหายใจก็ไม่เป็นไร เพียงแค่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเราถือเอาชนะอารมณ์ของจิตเพราะว่าจิตมีสภาพผู้ซ่านอันดับแรกก็ตั้งใจคิดว่าเราจะนับลมหายใจเข้าออกหาใจเข้า ใ, ใจออกนับเป็นหนึ่งหายใจเข้า ใ, ใจออกนับไป็สองอย่างนี้อธิโนสิบจากหนึ่งถึงสิบที่เราจะไม่ยอมให้อารมอื่นเข้ามาแทรก ถ้าว่ามันคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกไปเริ่มต้นใหม่ทําอย่างนี้ไม่ช้าเพว่าอย่างช้าก็ไม่เกินสองเดือนเราจะนับถึงร้อยสองร้อยสามร้อยก็ไม่ไปไหนแสดงว่าจิตทรงชาาแน่นอนทรงตัวดีมากอันดับแรกตัวขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนรู้ลมหายใจเขาออกเขาไว้เป็นการส่วรลมของจิตผู้ใดว่าเป็นการสรงสมาธิต่อไปก็ใช้คำภาวนาควบ คำภะวนานี่จะใช้อะไรก็ได้ในกรรมฐานเบื้องตน้นจะใช้คำบุโทโธก็ได้สมาฐังก็ได้ทีสุขโตก็ได้ที่กาสอนการยุบหน่อพองหนอแล้วก็ไม่คิดยุดหน่อพองหนา่อยุดไปทให้ใจออกพองไปที่ให้ใจเข้าก็เป็นนาปานุปติการเึกสภาพเป็นดรืยเหมอนสภาพภาวน า, นาอั น, นี้ต่อไปเบื่องราถ้าบังเอิญจิตเข้าถึงฌานสมาบัติ ในตอนที่จิตเข้าทิชาสมาบัติมีอารมณ์แฝงนี่ก็มีหลายคนถามมาว่ า, าเมื่อสภาพจิตในอารมณ์ดิ่งขึ้นไม่สามารถจะทําอะไรได้แล้วในเวลานั้นจะทํำยังไงความจริงก็ขอตอบว่าเวลานั้นไม่ควรทําอะไรเพราะว่าจิตถ้าทิงชาแล้วมันทําอะไรไม่ได้มันไว้ตัวไม่ได้มันทรงตัวก็ถือว่าจิตมีสภาพดีเวลานั้นจิตไม่เกี่ยวข้องกับกิเลส ก, ก็ดีมาก ถ้าต่อไปไม่ชาจิตสมาธิจะลดตัวลงจิตจะสามารถมีการเคลื่อนไหวได้ตอนนั้นให้จับอารมณ์วิ ป, สาาปสาาัสนาญาณวิปัสนาญาณจะใช่ตรายสัญญาณตอนที่พูดมาแล้วก็ได้หรือใช่อริยสัจก็ได้ถ้าใช่อริยสัจก็เรี ย, ยกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์แต่ความทุกข์ที่จะมีมากับเราคือร่างกายเราเป็นเหตุ ถ้าเราไม่มีร่างกายที่อย่างเดียวเราก็ไม่มีอะไรเป็นทุกข์ความหิวเป็นทุกข์หิวเพราะร่างกายความหนาวเกินไปร้อนกายร้อนเกินไปเป็นทุกข์กับเพราะร่างกายเป็นหิข์แาเร า, ไ ม, มร า, า, ามไม่มีร่างกายก็ไม่หนาวไม่ร้อนอาการป่วยไข้ามาส บ, บายเกิดขึ้นเพราะสายร่างกายความแตกเกิดขึ้นเพราะสายร่างกายความตายเกิดขึ้นเพราะสายร่างกาย เรคิดต่อไปว่าถ้าเราเป็นคนมีร่างกายอย่างนี้กี่ชาติเราก็มีความทุกข์อย่างนี้ทุกชาติก็ตัดสินใจว่าเขาต้องการมีร่างกายมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติอื่นจะไม่มีมันอีกนั่นคือหมายที่นิพพานในการตัดสินใจอย่างนี้คือว่าตัดสินใจเพื่อนิพพานเอาง่ายๆนะ วนนิการเรียกรรมฐ า, านเขาทุกคนบางคนอาจจะคิดว่าจะต้องทําเฉพาะมานั่งขัดสมาธิความจริงมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปคําว่านั่งขัดสามายัยขัดสมาธิไม่ใช่หมายความจะมีสมาธิเสมอไปถ่าไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นอย่างอนุสตินี่จะทํำยังไงก็ได้จะทํางานอยู่นั่งอยู่คุยอยู่ทำอะไรอยู่ก็สามารถอคําว่าอนุสติหมายถึงตามนึกถึงนึกถึงได้ อขอยกตัวอย่างสักท่านหนึ่งคือพระติสระพระติสระเป็นคนองค์ที่กล่าววนะ่าท่านมาเข้าก่อนเลยท่านติสระองค์ น, นี้เดินทีเป็นพรานเป็นพราหมณ์เป็นพราหมณ์มสอน ศ, ศาสนาพราหมแต่ฐานะก็มายดีนักก็สามารถพอมีฐานะพอใส่บาตรได้ ถ้าสารีบุตรท่านเห็นว่าบุญของพรามคนนี้จะสงเคราะห์เวลาไปเมืองนั้นก็ไปบินาบาทบ่อยๆพรามคนนี้ก็ใส่บาตรต่อมาในการผ่านมาปรากฏว่าพรามคนนี้ยากจนลงไม่มีทุนจะใส่บาตรสบบมบัติธรรมดาเนี่ไม่มีข้าวจะใส่จนมากไม่มีอะไร ตอนนันรสารีบุตรท่านไปที่เมือนั้นท่านคิดถึงพราหมณ์คนนี้ไม่ได้คิดถึงข้าวที่ใส่บาตรคิดว่าเขาเนคนมีศรัทธาตั้งใจจะไปรบก็ไปมิตาบาดแถวนั้นว่าพราหมณ์คนนี้รู้เห็นรู้ว่าพระสารีบุตรมาที่นั่นกขาหลบเพราะว่ามีข้าวจะใส่บาตรแอบเสียเพราะพระสารีบุตรก็ไม่ละความพยายามสสาวันท่านนีกขึ้นมาได้ท่ากับไปอีกพราหมณ์คนนี้ก็นึกถึงพระสารีบุตรอยู่เสมอ การนึกถึงราษารีบุตระนึกถึงประสงค์เป็นสังคารอมติแต่เจ้าพรามก็แอบอีกต่อมาภายหลังแปลก็ว่ามีคนเขาเชิญพรามไปสอนธรรมะของเขาวิจาของพรามเมื่อพรามสอนแล้วเขาก็ให้ข้าววัตถุประยาตมาหนึ่งชามข้าวหนึ่งชามนม่พอสาหรับคนคนเดียวไป้ข้าให้ผ้าสาดกเนื้อหยาบอย่างเลวมาหนึ่งผืน พรามเราก็มีความรูม้สึกว่าเวลานี้เรามีอาหารถ้าพระคุณเจ้าประสาทีหมดมาเราจะใส่บาตรก็เป็นเวลาพอดีกับที่ประสาทีหมดออกจากสมาบัติคาว่าสมาบัติในที่นี้ไม่ได้หมายความว่านิโรทัสมาบัติไทยเรียกเชี่ยตรงกันได้ว่าพละสมาบัติเมื่อประสารีหมดออกจากสมาบัติก็นึกถึงพรามณนึกว่าวันนี้เราจะไปสงเคราะห์พราหมณ์อีก ให้ก็ถือบาทเดินไปที่นั่นเมื่อพราหมณ์เห็นข้าวกรตั้งเจ้าดีบรณาสานิบุตรหยุดแล้วก็นำชาคาชามเข้าวมาใส่บาดพอจะใส่ไปครึ่งหนึ่งมรณาสันิบุตรสังเกตว่าพราหม์คนนี้มีข้าวแค่นี้พอใส่ไปครึ่งชามรณาสานิบุตรก็มือกันก็พอได้โยมธนิพนธ์แล้วพราหม์ก็บอกว่าขอพระคุณเจ้ายายผลยิบหายใจความดีเสเลยขอใสให้หมด ตั้งใจใส่หมดภาษาริบุตรก็ยอมแล้วหลังจากใส่บาตรแล้วก็ถวายผ้าสางดกผืนเดียวที่เขาให้มาแในภาษาริบุตรหลังจากนั้นภาษาริบุตรก็กลับวันวันนั้นเองไปรกปราบฟาร์มแล้วก็ตายความตายทั้งทั้ ท, ที่จิตใจนึกถึงภาษาริบุตรอันนี้อย่าลีกนะคฟาร์มได้นั่งขัดสมาธิท่านนึกถึงนี่มันเป็นฌาน จิตใจถ้าไม่ยอมละจากข้าวภารตรเพราะมีความรักกันภาษาริบุในเมื่อจิตเป็นฌานจึงมีความรักกันภาษาดิบ ต, ตายจากความเป็นคนอาศัยจิตคล้องอยู่ในภาษาดิบุตรจึงมาเกิดในตระกูลที่เขาสรงเคราวภาษาดิบคือตระกูลที่ส่งอาหารอรบราบว่าตรายกลว่าเข้าสู่คันมันดามันดาตระกูลนั้นก็มีลาบมาก เมื่อคลอดวันแล้วเจ็ดวันเขาตั้งชื่อตั้งชื่อว่าติดสระในวันที่ตั้งชื่อในปรายกรกฎาคม น, นำข้าวมาทุบวิ ญ, ญาตมามากมายเลี้ยงพระได้ห้าร้อยโอ้กว่าเลี้ยงพระ500อยโอ้แล้วก็ยังเหลืออีกคนก็กิ่งกันแล้วก็มีคนก็นําผ้าสาดกเนื้อดีมาห้าผืนให้เด็ก กเป็นว่ามารดากับบิดาก็จัดการถวายพระไว้500รอหลังจากนั้นต่อมาพระ่ตากูนั้นภาษาที่บท ต, ต้องไปรับบาตเสมอต่อมาเมื่อโตขึ้นก็นมีความรักกันภาษาที่บทเพรความรักเดิมมันมีอยู่แล้วก็เได้ชติก่อนท่านตะบุงพรามเมื่อายุไปเจปีจึงบับบอกกับพ่อแม่มว่าอยากจะบทในสงฆ์กับภาษาที่บทคือบทเลน พ่อแม่ก็อนุญาติให้พระสารีบุตรมาที่บ้านพ่อแม่ก็เลยบอกว่าเด็กคนนี้อยากจะหวแต่สนักของพระคุณเจ้าพระสารีบุตรก็ถามว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรแม่ก็เลยบอกว่าชื่อว่าพคุณเจ้าปิจิกาพระสารีบุตรถามว่าชื่อติดสะหรือคือว่าพระสารีบุตรนเดิมที่ว่าเมื่อเป็นคริวัดมีนามมีนามอุปติสระที่เราเียกพระสารีบุตรเรียกในสมัยเรียนพระ ด้วยบทนาสาลีเพราะสาลีบก็รับวันที่ท่านบทเนรพระก็มีคนนําข้าวมาทุกพ ญ, ญาติมามากมายมาถวายเนนพราะทุกคนมีความรักต่นเนรเนรก็ถวายพระ5้0ร้ อ, องเศษเลี้ยงพระ5้0รองเศษไม่หมดข้าวมาทุกพ ญ, ญาติ์แล้วคนทั้งหลายเล่านั้นก็นําข้าวนําผ้าผ้าสาดกอย่างเนือดีมาห้าร้อยผืน สมณงก็ถวายพระอีกห้าอยผืนตัวความตั้งแต่เกิดมาเทยุบเจ็ดปีในเลี้ยงพระห้ารองค์สองครั้งถวายผ้าสาดห้า0อยผืนสองครั้งต่อมาวันหนึ่งเป็นฤดูหนาวก็ ป, ปีนั้นแหละพระมณนที่เดินไปเห็นพระประมาณ 1, า พ, พันองค์ท่านนั่งผิงไฟจุดไฟผิงอยู่ก็ถามว่าพระคุณเจ้าทำไมองผิ้งไฟ พระก็บอกว่าไม่มีผ้าเยาผมพระจีวรมันก็บางเลนก็ถามว่าทำไมไม่ห่มผ้าซาดกพระบารดาดีพระก็บอกว่าฉันไม่มีผ้าอย่างนั้ น, นเทวเณก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นวันพรุ่งนี้พอจะไล่กับผมผมจะไปหาผ้าจะได้ไม่ได้ก็จะไม่แน่ก็รุ่งขึ้นพระก็าตามสมวเณรไปเนินนาหน้า ยังไม่ถึงตลาดราโกมีคนถวายผ้าฝ้าดกแล้วห้าร้อยผืนพอเลี้ยวเข้าตลาดก็มีผู้ชายคนหนึ่งเห็นเมนกับพระถือผ้าพลุนพลังมามากก็เดินเข้าไปในตลาดเห็นร้านค้าร้านหนึ่งเพราะว่าคนนี้เขาถวายพระพระถวายผ้าเขาเห็นเมนเขารักเหมือนลูกเพราะอันนี้สงที่รักเพราะซาดิบุตรมาก่อนในชายก่อนความรักอันนี้มันต่อมา ใ น, ในเมือคอชายคนนั้นเห็นเจ้าของร้าน้านหนึ่งกำลังจัดผ้าสาดกประมาณห้าร้อยผืนก็บอกว่าดีบเก็บมีสั้เลนเล็กๆองหนึ่งเดินนําหน้าพระแล้วมีพระประมาณพันองค์กําลังมาขอผ้าสาดกชาวบ้านวันเดียวมาที่นี่ก็มาขอผ้าที่นี่เจ้าของร้านข้าก็ถามว่าเลนน่ะขอหรือว่ามาแย่งเราไป ถ้าก็เลยบอกว่าขอาก็เลยบอกว่าจะขาไรก็บอกว่าการขอฉันพอใจก็ให้ฉันไม่พอใจก็ไม่ให้ใช่คนนั่นก็หลีกไปแต่ว่าจะขอไรก็คิดว่าผ้าสาดอกสองผืนนี่ผืนหนึ่งาราคาแสนจะหาวนะคือแสนตเลึงมีสองผืนก็ชุดว่าถ้าสําเรญจจะขอเราอาจจะให้ผ้านเนื้อหยาบหรื้อนเร็ ว, รวแต่สองผืนนี่ต้องเก็บไว้เกีบผ้าสองผืนซุกไว้ข้างใน พต่ว่าพอสำเด็จมาจริงๆท่านก็นมาได้วแวะร้านเขาเดิตรงเขาเดินผ่านไปเฉยๆพอจะผ่านร้านเขาก็ดิมนบนให้หยุดเฮ้ยเห็นแล้วก็เกิดมีความนักเหมือนลูกบหลานสงสารถ้าไหวผ้าซาดกหม500ัตถ้าห้าร้อยผืนเป็นเอาไหว้ผ้าสองผืนที่ห่วงไว้ก็ดันให้ไปด้วย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ดายเนี่ยเต็มใจให้ กระบวามหลังจากนั้นต่อมาเมื่อสมณีถนนวยายผ้ากับรรรดาพระสงฆ์วมแล้วสองพันผืนแล้วก็เลี้ยงอาหารกับรรรดาพระจำนวนมากพระอเนศส์ข้าวมาทตถุใบยญาชามเดียวกับผ้าผ้าสาดหนึ่งผืนเนื่อยาบแล้วต่อมาถึงกับมีความเบื่อในร่างกายเพื่อขอเรียนกับมฐานจากพระเจ้า หลังจากนั้นก็พระเจริญงันฐานไกลไป120ไร้อยยี่สิบโยต์ธนูอาารอรันฟ้องเป็นสมิธายานต่อมาพระพุทธจเจ้าเสด็จไปที่นั่นด้วยความรักข้อสมณีนเนี่ยความรักเป็นวันฐานะสมัยเป็นพรามที่รักธรมสาริบทมันมันมีส่วนเรื่องมีความสาคัญมากทุกคนได้เห็นเนในองค์นี้เข้าจะมีความรักเหมือนลูกทุกคนเหมือนกันหมด กาสมัยที่ท่านรามุตตะเจ้าไปเจริญกรรมาฐานที่ป่าไกลไปร้อยี่สบโยชน์ไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งไปเจดชายคนหนึ่งเข้าถามนายโยมที่นี่มีอาหารสำหรับเจริญกรรมาฐานไหมโยมคนนั้นเห็นเข้าเกิดความรักทันทีพระเจ้าบอกว่าเป็นอนุสงที่รักในภาษาดิบุตรในสมัยชาติก่อน ท่ก็บอกว่ามีท่านเลยก็ถามว่ามีพระอยู่ไหมแต่โยงเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนนี่มีพระเวลานี้ว่างแต่ว่าถ้าทั้งมันเลยจะเจริญกรรมฐานที่นี่จะรู้จักบ้านผมก่อนก็พาไปบ้านก็เลยบอกว่าถ้าจะมาวินาบาตให้มาที่นี่ผมจะใส่บาตรจะไวไอ้ญาติยาโยมทั้งหลายในหมนู่นั้นต่างคนต่างเห็นก็รักเมื่อเมื่อท่านอยู่ไม่กี่วันท่านบรลอรหันพร้อมไปสัมิธายาน ว่าออกภาษาภาษาดีบุกก็อยากจะไปเยี่ยม60ตัง้งใจจะไปพรงขอตาไป500องค์แ้วสมรู้กันลาทราขบขกับประเทศไทยนั้นผมไปด้วยพวกกันลาก็พาบริษัท บ, บริวารไป500องค์อสุรติมหาสาวกคือสาวกผู้ใหญ่80องค์มีพระมหาอุสุปิประทาน ต่างองต่างมีบริวนนารคนคนละห้าร้อยองต่างคนต่างไปไปร่วมกันเป็นพระไปเท่านั้นประมาณสี่หมืนองเสร็เอาไปถึงที่ตรงนั้นก็ไปพบโยมคนต้นคนแรกก็ถามน่โยมที่นี่มีสมณีจะมังสาไหมโยมก็แปลกใจถามว่าคุณจเจ้ามาทำไมเราต้องการจะพบสมณี โยมก็เลยบอมีพระเขาภาษาที่บุกเก็ถามว่าเนตรงนี้ชื่อติดสายไหมบอกว่าใช่ใชแล้วก็โยมก็ถามว่าท่านต้องการอะไรก็บอกว่าต้องการจะพบสมณีจะเยี่ยมพระสมดูามีมย์รู้สปลโยมก็เลยเข้าไปในบ้านไปกรารว่าทุกคนเวลานี้แขกทุสมณีมาประมาณสี่หมื่นองศตรุกคนจัดเตียงจัดต่างจัดเสือ่อจัดหนอนจากห้องพักให้พระไม่ที่อยู่ให้ครบถ้วนทุกคน ญาติโยมทั้งหมดก็อาศัยการรักเมืงต่างคนต่างช่วกันทำแต่ว่าเวลาตอนเช้าเขานําพระตาหารมาถวายพอถวายพระตาหารขร้าวเสร็จญาติโยมต่างคนก็ต่างชมเนรให้ภาษาที่บุตรฟังว่าสมณะเนรเนี่ดีจริงๆ เ, เป็นสมณะเนรที่มีจริยามันยติมีการสมุทรววมีสัมมาฆะ ด, ดีมากทุกอย่างน่ารักทุกคนรักเหมือนลูก แปลว่าเสียอย่างเดียวเนี่ยขึ้นชื่อว่าคนคนนี่ไม่มีติไม่มี น, นะเสียอย่างเดียวไม่เทศแม่อรหันนะแต่เขาอาจยังไม่รู้ไปว่าอะไรก็ได้เสียอย่างเดีย ว, วสมณีนไม่เทใครไปหาในกระบอกโยมจะมีความสุขระบลอดภัยนะมีความสุขรับวอดภัยจะบอกถูกพราสารีบุตรจึงหันไปหาสมณีถามเรื่องขันห้า ชาวเนรอธิบายไปที่ชอบใจพระดาญาติโยมทุกคนเวลา น, นั้นองค์สมเด็จพระทศพลโซซาบตอนเช้าโซซาบด้วยหน้าพุทธญาณก็สเสด็จไปพระทุกองก็มารับญาติโยมก็มารับพระพุทธเจ้าก็ทรงชมเชยชมวเนรติดสะว่าผู้พูมีความสามารถเปรันความไปสุทายานมีปัญญามากเพียงเท่านี้ญาติโยมจึงเข้าใจที่พูดเล่าฟังมันยาวไปหน่อยนะ วลฟฟังนี na market market. Na e a a ้ได้เข้าใจคําว่าอนุสติคําว่าอนุสติไม่ควรลมนะว่าสมมณีเนี่ยเป็นกรรมอระดับแรกเขามีความรักในภาษารีบุตรมีความเคารพในภาษาดีบทนึกถึงภาษารีบทเป็นปกติอย่างนี้เป็นการเจริญกรรมฐานในสังขาอนุสติถ้าจะถามว่าไม่เคยนั่งสมาธิก็บอกแลายบอกว่าอนุสติไม่จําเป็นต้องนั่งขาดสมาธิ นั่งการนั่งขัดสมาธิถ้าจิตไม่จับอยู่ในรมนั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นฌานยังไม่ถือว่าเป็นสมาธิที่ดีเมื่อเรานั่งขัดสมาธิแล้วหลังจาเรื่องสมาธิแล้วจิตยังนึกถึงรมยันยืนนั่งอยู่เสม อ, อยังไม่ถือว่าทรงฌานสําหรับพรามคนนั้นเขาคนนิดถึงว่าสารีบทเป็นปกติมีความเลื่อมใสยอยู่อนนี้เรสังขาุปกติการนึกถึงพระสงฆ์บรรดาท่านพุระฤาษีไม่ใช่สังขารปกติอย่างเดียว พระสงฆ์ที่มีมาได้เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าฉะนั้นการนึกถึงพระสงฆ์เป็นส um ังขานมุต er ิจึงเป็นพุทธานุปติด้วยเพราะพระสงฆ์เป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นการนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีนึกถึงพระสงฆ์ก็ดีพระพุทธเจ้าจะมาที่มีได้เพราะอะไรเพราธรรมะทำโมฆบุกกาตัดขู่ทุกพระเจ้าถัอว่าเราเองเราก็โคตรในพระธรรมพระสงฆ์จะส่งองค์อยู่ได้เพราะอาศัยธรรมลรวีใน ดังการนึกถึงพระสงฆ์ก็ดีการนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีก็ทื่ว่าจะเป็นการนึกถึงพระธรรมด้วยก็เป็นธรรมานุสติด้วยพระนิพพานคนนี้นอกจากนึกถึงพระสงฆ์ด้วยพระพุธพะทธเจ้าด้วยพระธรรมด้วยทับครัวมกันไปก็ยังจะนึกถึงทานจัดเป็นแจากานุสติก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรามีวัตถุเมื่อไรเราจะร้อยไทยคำภาษารีบุตร อั น, นเป็นสังขารอนุสติท่าบรรดา ญ, ญาติโยมพุทธบุรสัตว์นักเจริญกรรมาฐานถ้าบังเอิญท่านมีเวลาน้อยมีเวลานั่งขัดสมาธิน้อยก็ใช้อนุสติให้ใช้ตามชอบใจอนุสติแลไม่จําเป็นที่ต้องใช้คราวอย่างครั้งละคราวยอย่างเดียวเพืจะใช่หลายๆอย่างก็ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าเอานึกถึงพระพุทธรูปถ้านึกถึงพระเจ้าไม่ถนัดแล้วนึกถึงพระพุทธรูปองคใดองหนึ่ง ถ้าเราเป็นที่ชอบใจเราติดใจนึกอะไรเห็นภาพเท่านั้นอย่างนี้จิตเป็นฌานในในพุท ธ, ธานุสติถ้า น, นึกถึงคําสอน ค, คือคําเทศของพระเพราะว่าจะไหว้คนใดคนหนึงที่รู้ธรรมะก็พูดธรรมะให้ฟังชอบใจธรรมะข้อใดข้อหนึ่งตอนใดข้อหนึ่งติดอกติดใจอยู่อย่างนี้เป็นเป็นสมาธิในธรรมานุสติ แล้วก็บเ อ, อินถ้าเรามีความคลักมีความครบในพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งในพุทธศาสนาจะเป็นพระสงฆ์ในปัจจุบันและอดีตคือสมัยพระอันต่างๆที่แล้วมาก็ตามเรานึกถึงท่านในความครและพอใจในเระพอใจในท่านอย่างนี้เป็นสังขานุปติแต่ญาติโยมพุทธบริษัทจะคิดว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะถวายทานอย่างกับคณะนี้นเนข้ามาต้นเดือนเราจะถวายสงถทาน พอถวายฉนทานแล้วแล้วก็กลับไปบ้านไม่ได้ถวายกันอีกก็คิดว่าต้นเดือนหน้าเราจะถวายฉนทานแล้คิดว่าการถวายฉนทานต้องใช้เงินต้องใช้ทองระยะเงินทองไหนมามาบริจาคในการถวายฉนทานในเมืเ่อคิดถึงทานอย่างนี้จัดว่าขณะที่มิจอยู่เป็นเป็นจารคานุปติเป็นสมาชิกในจาคานุปติในการถวายทานเป็นทานบรารมี เรื่องความว่าอนุสติกรรมฐ า, านนี่จะร่งง่ายมันแค่นึกถึงตัวตัวอย่างพรามพรามนึกถึงภาษารี่บทเป็นสังขานุสติเอาไปง่ายง่ายแม้ว่าพรามนึกถึงทางการให้ที่จะไหวกับภาษารี่บทเป็นจารคานุสติในความจริงถามเขานั่งขัดสมาธิหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าเปล่าไม่ที่สุดนโอกาสสุดท้ายพรามให้ทานหมดตัวนีม่มีความสําคัญ ความให้ทานหมดตัวกรไม้ควาพรามได้ข้าวมาชามเดียวเพื่อจะกินแต่นึกถึงพ ร, ระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ไปพระสารีบุตรรับทานจะรับเพียงครึ่งเดียวทานพรามไม่ยอมขอถวายให้หมดแล้วก็ถวายผ้าสาดดกอันนี้เป็นปัจจัยใหญ่ปัจจัยทั้งสองรยการรวมกันเป็นปัจจัยให้ได้ตอนในกอนสมเด็จพรรหรันตอนนี้จะพูดมีเวลาได้สามนาทีที่ได้จะพูดทั้งสิบห้านาทีไปกันเลยมาแล้วพูดแบ เรีว่านําลายมันแตกเยอะเผอไปดีไม่ดีวันนี้อาจจะสลบก็ได้ไม่มีแรงก็เราเป็นนะว่าการถวายทายของของท่านพราหมจะเป็นปัจจัยสําคัญใจต้องคิดใวบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนถ้ามีความประสงค์อย่างนั้นก็ดูตัวอย่างท่านพามทําอะไรบ้างท่านติดสะเดินมันทาอะไรบ้างครามก็คือติดสะ ท่านนึกถึงภาษาริบุตรท่านนึกถึงการถวายทานท่านจะถวายทานได้การถวายทานกับภาษาริบุตรแต่อริสงน้อยกว่าถวายสงฆ์ทานนะถ้าเทีบอริสงกันเทียบไม่ได้นะการถวายทานภาษาดิบุตรจีิงเป็นถวายส่วนบุคคลองเดียวตามพระบาลีบอว่าถวายทานแกพระอรหันต์ร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแกพระบัจเจพุทธเจ้าหนึ่งครั้ง ถวายทานในพระประเจาพระพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานในสมเด็จสสะมาลพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานในสมเด็จุสสมมาลพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายสังฆทานหนึ่งครั้งด้วยการถวายสังฆทานเขาญาติโยมพุทโธสัตว์มีอานิสงส์มากกว่านั้นมากถ้าทุกคนไม่ทิ้งกำลังใจเรื่องทานแม้แต่เพียงท่านเคยถวายแลกครั้งเดียวในชีวิตไม่ได้ถวายอีกแต่รเรารู้เรายัางติดในภาพสังฆทานอย่างนั้น ก็เข้าใจว่าพระติดสะเท่าสอติดสะติดส ะ, ะองค์ก่อนโน้นก็เหมือนกันอานี้ก็เหมือนกั น, ก น, กนเป็นอรหันต์เพราะการถวายทานท่านใหญ่ถวายทานส่วนบุคคลนะถวายทา น, นพระราหารันต์พระถุงสังฆทานกําลังว่านาญาติโยมผู้ธบริษัทก็คงไม่ตามไปกว่านั้นคือวิเคราะจะมีกําลังสูงไปกว่านั้นเพราการปฏิบัติกรรมฐานว่าาญาติโยมพระบริษัททุกคนเห็นว่าจริงไหมยากเราไม่เอาอย่างนั้นเพราะกรรมฐานมีทั้งสี่สิบอย่าง ถ้าอย่างไหนง่ายสําหรับเราเราทําอย่างนั้นโดยเฉพาะอยา <OWN products. S 3> ่างเี่อนุสติอย่าทิ้งวันเวลานี้นึกถึงพระพุทธลูกองค์นั้นเวลานั้นนึกถึงพุทูกอง์นี้เวลามีงานมีการแล้วก็ว่างไปเป็นธรรมดาของคนเวลาบ้างเราก็นึกถึงนึกถึงพระพุทธรูกบางนึกถึงพระุทธเจ้าบางนึกถึงประธรรมคํำสอนบ้างนึกถึงพระสงฆ์บางนึกถึงศีลถ้านึกถึงศีลนี่ศีลานุสติว่านึกถึงทางการบริจาคบริจาครติ ให้กำลังใจพระบรรดาพระฤาษุทธบริษัทค้องอยู่ในในมติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะให้เป็นกำลังาาใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาก่อนหลับก็หลับนึกถึงสักสองสามนาทีก็พอเติมใหม่ๆนึกไว้ทั้งสองสานาทีก็พออย่างนี้ทุกคนจะมีผลอย่างท่านึกษาทองององค์อรบันดาญาโยามพุทธบริษัทพูดมากไปเป็นเวลา30สนาทีก็เปลี่ย ไปอาตอนนี้ไปทุกคนนะหน้าทางพุทธนะตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมฐาน